ขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยกาสหลวงพ่อกรมเพื่อนตา่ทททาตทธรรมทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งฟังสบายๆเนาะวันนี้ฝนก็ตกเดี๋ยวเล่งเสียงนิดนึงฝนจริงๆก็ไม่ได้ตกแบบนี้มานานแล้วนะที่ตกแรงๆเนี่ย พื้นดินก็แห้งนะเพราะว่าปีนี้ฝนตกน้อยมากแล้วก็นึกว่าจะไม่ตกต่อเพราะว่าพื้นดินแข็งนะไสเดือนก็ต้องออกจากพื้นดินมานะเพราะว่าดินแข็งแล้วไนะสเดือนเลยอยู่ไม่ได้แล้วก็มาแห้งตายกันเยอะเลยนะก็ดีเหมือนกันที่ฝนตกครั้นี้นยะ การที่ฝนตกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่านําำชีวิตมาให้กับคนไม้และสัตว์สัตว์ทั้งหลายนะครา้นี้สัตว์บางอย่างเนี่ยก็ต้องอาศัยน้ำฝนเนี่ยเป็นเครื่องอยู่จริงๆนะอย่างที่ว่าไสเดือนนี่แหละถ้าฝนไม่ตกนี่เขาก็อยู่ไม่ได้นะเขาก็ต้องตายนะความเป็นสัตว์เดฉานี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวมาก อย่าว่าแต่ใส่เดือนนะบางทีก็จะมีสัตต่างๆอยู่ในวัดในเยอะใส่เวลาถ้าฝนจะตกเขาก็ต้องอพยพกันะมาอยู่ตามกุฏิต่างๆกันอย่างกุฏิอาตมานี่ถ้าฝนจะตกนี่จะรู้เลยะจะมีมดเยอะมากจะมาขึ้นที่กุฏิกันะบางทีก็เป็นเป็นพันๆตัวนะมาขึ้นกุฏิกันเต็ไมไปหมดก็รู้ว่าเออไม่กี่วันนี้ฝนต้องตกแน่นอนแล้ว ใ น, นชีวิตสัตว์เดชานี่มันเป็นสิ่งที่น่าสงสารนะเขาก็อาศัยอความที่ยากลาบากนี่แหละในการที่ว่าเขามีชีวิตอยู่ะจะหนาวจะร้อนเขาก็อาศัยทนไปไม่มีอาหารเขาก็อาศัยทนไปเรื่อยๆอันนี้สัตว์เดชานี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นนี้นะการที่คนเราเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงมีมีความโชคดีนะ เพราะว่าความที่โชคดีของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สี่อย่างก็คือประการแรกการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดด้วยว่าการเกิดมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ยากมากนะเหมือนกับว่าเต่าตาบอดในยอยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยร้อยปีจึงได้โผล่ขึ้นมาเหนือมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งและเหนือมหาสมุทรนี้ยก็มีมแอกนะซึ่งมีรูอยู่รูเดียวนะ เต่านั้นเมื่อโผล่มาแล้วถ้าเอาผัวเข้าไปในแอกได้สักครั้งหนึ่งนั่นแหละเป็นการเกิดมันเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะมันยากมากเป็นเงื่อนไทที่ยากมากที่ว่าเป็นเต่าตาบอดด้วยแล้วก็มปัญหาสมมติกว้างใหญ่นะแล้วแองนั้นก็มีรูเดียวมีแอกอันเดียวันะลอยไปกลางมากว้างใหญ่นะแล้วก็ผบ้อำนวยการก็ทรงตัดไว้ว่าอาดูก่อนพิสูงทั้งหลาย อตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เอาเล็บเนยช้อนฝุ่นติดปลายเล็บของพระพเจ้าเราถามว่าดูความพิสูจทั้งหลายฝุ่นที่ติดปลายเล็บเรา <c oughs> กับฝุ่นในมหาปัตีอย่างไหนจะมากกว่ากัน <c oughs> สุขตอบว่าอฝุ่นที่ติดปลายเล็บของ พ, พุทธองค์เทียบไม่ได้กับฝุ่นในมหาปัตภีเลย <c oughs> พระพเจ้าบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่ตายแล้วจะกลับมาเกิดมนุษย์อีก <c oughs> มีน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดปลายเล็บเรา สนผู้ตายและไปเกิดในกำเนิดอื่นๆนั้นมีมากเท่ากับฝุ่นในมหาปฏตภี น, นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไวเช่นนั้นซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าอาสัตว์ได้ฌานก็มีมากกว่ามนุษย์นับไม่ถ้วนอย่าว่าแต่พวกฝุ่ อ, อื่นๆเลยนะที่เรามองไม่เห็นบ้างเยอะแยะแล้วประการต่อมาก็คือการเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่นะการที่เรามานั่งอยู่นี้ก็ชื่อว่าเรารอดอยู่นะคนที่เกิดก่อนเราเกินที่หลังแล้วก็ตายไปต้องเยอะแยะแล้ว น, นนี้ก็เป็นความโชคดี อภากาจต่อมาประกา ร, า ร, การที่สามก็คือได้เกิดมาแล้วได้พบพระุทศาสนาอันนี้เราก็ได้พบแล้วนะประการที่สี่เมื่อพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมอันประเสริฐนั้นนะอันนี้ก็เป็นโชคดีที่ยิ่งใหญ่นะเพราะคนที่พบพุทศาสนานี่ก็มีมากแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็มีเยอะแยะบอกว่าเป็นชาวพุทธก็จริงแต่ว่าแม้แต่ศีลห้าก็ยังไม่รักษาเลย แล้วจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็แทบจะไม่มากันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีครบสี่อย่างนี้นะจึงชื่อว่าเรามีความโชคดีอที่ได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราเป็นคนที่ไม่เสียเวลาอที่ว่าเราได้เกิดมาเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกันอันนี้เปรียบเสมือนกับนาทีทองในสังสารวัตนะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นนาทีทองในสังสารวัต เพราะว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันจะมีะความยาวของภพชาติเนี่ยยาวมากนะเราไม่รู้ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วนับนบภพบนับชาติไม่ท้่วนเนี่ยอย่างที่รงได้ทรงเปรียบไว้ว่าถ้าหากว่าเอาอกองกระดูกที่เราเกิดมาในแต่ละชาติมากองรวมกันก็ยังน้อยกว่าภพชาติที่เราเคยเกิดมานะหรือเอาน้ำตาที่เราเคยหลั่งไหลในแต่ละชาติมาก็น้อยกว่ามา ในมหาสมุทรนะอ่ามหาสมุทรนี้ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราเคยหลังไหลมาในแต่ละภพบต่ชาติ<ม>หรือว่าเท่าย้ามาในชมพูทวีปมาทำเป็นกรรมกรรมละสี่นิ้วก็ยังน้อยกว่าภพชาติที่เราเคยเกิดมาหรือว่าผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติ พ, พี่น้องกันไม่มีนะเพราะภพชาติมันยาวยาวมากเนยะเพราะนั้นจริงๆแล้วในสักระบบนี่มันยาวมากนะมันเป็นสิ่งที่ยาวยาวไกลเพราะนั้น การที่เราเกิดเ ป, เป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็เรียกว่าแค่ตีสักหนึ่งนาทีเท่านั้นนะหนึ่งนาทีหรือจริงๆแล้วมันน้อยกว่าหนึ่งนาทีนะมันแค่ฟ้าแลบเท่านั้นเองชีวิตนี่มันสัน้นๆั้นะบางทีเรารู้สึกว่าโอมันยาวเรายังเป็นคนหนุ่มคนสาวมันยังยาวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันสัน้นๆเท่านั้นเองนะถ้าเทียบกับเวลาในจักรวาลมันแป๊บเดียวเพราะฉนั้นจริงบอกว่านี่แหละคือนาทีทองของเราแล้วนะจุดที่ว่าเราจะใช้นาทีทองนี้ไปทําอะไร นะบางคนก็ใช้นาทีทองนี้ไปทำความชั่วก็มีนะไปทำแต่บาปแต่กรรมไปคอร์รัปชันไปช่อโกงช่อลาดบังหลวงก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมต่างๆมากมายอาคุศลจิตนะมีความโลภความโกรธความหลงทำความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่า เราไม่รู้อยากใช้หน้าทีทองของสังสรวัตให้เป็นประโยชน์ของตัวเราเองและเมื่อเขาตายไปในชาตินี้เขาก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่นับพบนับชาติไม่ท้วน <c oughs> ไปเกิดเป็นสัตว์ประหลาดเ ป, าเปอาศุกายสันนรกต่างๆการที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากมากนะเป็นสิ่งที่ยากมากทีเดียวอย่างที่เมื่อกี้เล่าเรื่องเต่าตาบอดนั้นเป็นสิ่งที่ยากมาก <c oughs> แต่คราวนี้ถ้าเรามีาสติปัญญาแล้วว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้เราควรจะทําอะไรนะก็คือเราต้องโชว์อกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้น่ะทําอทําในสิ่งที่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้ชําระกิเลส ใ, ในใจของเราให้ลดลงนะเพราะภพชาติที่มันยาวก็เกิดจากกิเลส ใ, ในใจของเราเนี่ยเยอะมากนะยิ่งกิเลส ใ, ในใจเราเยอะความโลภความโกรธความหลงเยอะ อันนี้แสดงว่าเรามีอวิชชาตันหาปรทธานในเยอะมากเพราะฉะนั้นภพชาติเราจะ l อ n ยาวแน่นอนนะมันต้องยาวอาจจะยาวยิ่งกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ได้แต่ถ้าเราสามารถทําในใจของเราให้นะกิเลตันหาในใจเราลดน้อยลงนะตรงนี้ภพชาติของเราจะสั้นลงตามไปด้วยนะจนกระทั่งใครสามารถทําให้กิเลตันหาในใจเราเบาบางลงไปนะก็จะเหลือแค่เจ็ดชาตินะคือความเป็นพระโสดาบัน นะหรื อ, อเป็นพระนาคามีก็เหลือแค่าชาติเดียวเหลือจะสิ้นสุดความทุกข์ในชาตินี้ถึงพ้นิพาน์ในชาตินี้ก็คือเป็นพระหันไปเลยนะตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะจริงๆแล้วชีวิตเรานี้ไม่มีใครมาลิขิตนะ <c oughs> อยู่ที่เราในลิขิตตัวเราเองเท่านั้นเองนะก็คือเรามาอยู่ในทางสามแพงแล้วนะเราจะเลือกเดินทางไหนก็อยู่ที่ตัวเราเลือกไม่มีใครม า, บ, ารบังคับเราว่าต้องทําแบบนี้นะต้องไปทําความชั่วต้องไปทําความดี นะต้องไปบรลลัธรรมอันนี้ไม่มีใครมาบังคับเราได้นะแต่ว่าเป็นสิทธิของเราที่เราสามารถทําได้เนะี่ยเห็นไหมนะมีเรามีสิทธิแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่ในรูปยุค ข, ของทาตุนี่แหละถ้าเราเป็นทาตุนะเราไม่มีโอกาสจะ ท, ทําเช่นนี้ได้เลยแต่ยุคนี้เราเป็นไทยนะเราสามารถทําได้อยู่ที่ว่าเราพร้อมจะทํำไหมนะตรงนี้สําคัญกับเพื่อนนะจึงว่าเราเนี่ยมีทางเลือกแล้วนะเราเป็นไทยกับตัวเองเราเองแล้วแล้วก็เป็นนาทีทองเราด้วยว่าเราจะทําอะไรนะ ถ้าเราทำผิดพลาดไปเราก็จะเสียชาติเกิดมาชาติหนึ่งว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมเราไม่ทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่พิเศษสิ่งที่ทำให้เราหมดความทุกข์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ทาไมเราไม่ทาในตรงนั้นนะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าอประกาศสำคัญนี้เราจะต้องรู้จักอะไรก่อนนะก็คือรู้จักว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วนะมันไม่มีอะไรมากไปวันนี้เลยนอยกจากความทุกข์ ในะยางที่เราได้สวดมนต์ธรรมะเช้าไปน ะ, ะที่พระองคทรงสัตว์ไว้ว่าชาติปีทุกขาชร า, าปีทุกขามรณะปีตุขังความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละคือความทุกขโสกปนิเทศวัตุกัโทโธมณสุปายาสาปีทุกขาความโศกความลำลารลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคัดแค้นใจก็เป็นทุกข การพลัดผ้าจากสิ่งที่เป็นรักที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใไดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์ตั้งนั่นเลยนะอุปทานขันทั้งห้าก็คื อ, อกายและใจนี่แหล ะ, อ, ะอุปทานขันห้าก็คื อ, อกายเวทนาจิตธรรมหรือกายและใจคือร่างกายจจและจิตใจเราเนี่ยเป็นความทุกข์ นี่พระพุทธเจ้าได้สรุปไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกายและใจนี่คือความทุกข์เพราะถ้าตรากายที่เรามีกายมีใจอยู่เราก็ต้องเป็นทุกข์ร่าไปนะไม่ว่าเราจะเกิดกิพภพกี่ชาติถ้ามีกายมีใจมันก็มันก็มีแต่ความทุกข์อย่างที่ว่าการเกิดทุกข์คราวเป็นทุกข์ร่าไปนะเราจะเห็นในตรงนี้ไหมนะเพราะเมื่อเราเกิดมาแล้วก็เรามีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดภาคต่างๆแน่นอนนะนี่คือความทุกข์ไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนร่นะํารวยเป็นกษัตริย์นะหรือเป็นผู้ดี เป็นคนที่เพียรพร้อมขนาดไหนมันก็มีความทุกข์ทั้งนั้นนะมันห น, นีไม่พ้นเลยตรงเนี้เราเห็นความทุกข์ไหมนะบางทีก็เคยไปชวนคนมาปฏิบัติธรรมนะเขาถามว่าเออปฏิบัติไปทําไมบอกว่าเมื่อปฏิบัติแล้วความทุกข์จะลดน้อยลงเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยเนะพราะนั้นเขาก็เลยไม่มาปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็คือเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่นะจริงๆเขากำงคิดเช่นนั้นนะเขาก็เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะอันเนี้ย แสดงว่าเขายังไม่รู้จักกายและใจจริงๆนะว่ามันคือความทุกข์นะเขาคิดว่าความทุกข์ก็คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่นะที่ทําให้เขาทนไม่ไหวมีการเจ็บป่วยต่างๆเป็นต้นนะหรือมีการสูญเสียต่างๆแต่จริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะตอนนี้เราง่วงนอนไหมนี่แหละคือทุกข์แล้วเราปวดเมือม่อยไหมนี่คือทุกข์แล้วเราอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นมันก็คือความทุกข์แล้วเราเหิวไหมก็คือความทุกข์แล้ว นะตรงนี้เราเห็นได้ง่ายๆนะมันต้องไปแก้ทุกไปเรื่อยๆนั่นแหละนะถ้ามันไม่ทุกมันไม่ต้องแก้หรอกใช่ไหมเพราะมันทนในสภาพว่าเดินไม่ได้นะประเดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินยืนนั่งนอนนะใช่ไหมไมันแก้ทุกไปเท่านั้นเองมันไม่ได้ทําเพื่ออะไรเลยจริงๆเราทําเพื่อแก้ทุกไปทานอาหารก็เพื่อแก้ทุกไปนอนก็เพื่อแก้ทุกเปลี่ยนในบทก็เพื่อแก้ทุกนะเนี่ยเราเห็นไหมในตรงนี้ว่ามันทุกจริงๆนะ ถ้าเราเห็นมันเป็นทุกข์จริงๆแล้วเราก็จะได้หาทางออกจากความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เห็นมันมีความทุกข์อะไรเลยแล้วก็ไม่หาทางออกจากความทุกข์หรอกเหมือนกับคนที่ติดคุกอยู่นะอ่าเขาก็ไม่หาทางออกจากคุกนะเบอกเออในคุกนี่สบายดีมีอาหารกินมีทุกอย่างที่อยู่อาศัยหลับนอนสบายไม่ต้องทํางานแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาติดคุกอยู่นะแต่ถ้าผู้ใดเห็นว่ามันจริงๆมันติดคุกนะเขาก็พยายามออกจากความออกจากทุกข์ออกจากคุกนั่นแหละ คุกก็คือความทุกข์ในสังสารวัตนนี่แหละมันต้องหาทางออกมาถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ออกจากทุกข์มันก็ไม่ออกจากคุกนะมันจึงไม่เป็นภัยจิตก็ไม่เป็นอิสระมันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีหนึ่งเนาะคราวเนี้เมื่อเราเห็นความทุกข์แล้วนะเราเมื่อเราเห็นความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดความเบื่อหน่ายมากอย่างที่มีที่ว่ากล่าวว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่แล้วทุกข์เท่านั้นที่ดับไป นะเรามาเห็นตรงนี้ไหมนะจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติธรรมไปแล้วมันจะเห็นความทุกข์ได้บ่อยครั้งมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแต่ความไม่เที่ยงนะชีวิตเรามีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นเอาความแน่ความนอนอะไรมันไม่ได้เลยนะอย่างเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นในตรงนี้นะบางทีเมื่อวานปฏิบัติธรรมได้ผลดีมีสติ ท, ท, ทั้งวันเลยนะพอมาวันนี้นะมันฟุ้งซ่านบ่อย สติก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวก็ไม่ค่อยมีมันหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่แหละมันความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงนั่นแหละคือความทุกข์นะเพราะสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงมันคือความทุกข์ทั้งนั้นนะอย่างถ้าเราถ้าเราสวดในบทอนับตัลัคนาสูตรพระเจ้าก็จะถ่ายภิสูุทั้งหลายว่าอดูก่อนภิสูุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดฉะนั้นพระเจ้าค่าไหนไหมพระพุทธเจ้าก็ยังถามเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือมันสุขก็เป็นความทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็คือความทุกข์แล้วชีวิตเรามีอะไรที่มันเที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงตั้งแต่หยาดหนึ่งเลยเนาะ ตัวเรามันก็ไม่เที่ยงนะโตัว้ืหนึ่งก็ไม่เที่ยงจริงๆแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยเพราะฉนั้นอ่าความเที่ยงก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะถ้าใครหาสิ่งใดเที่ยงตักอย่างหนึ่งโอ้จะนับถือเลยว่าคนนั้นเก่งมากนะมันไม่มีอะไรเที่ยงต้ออย่างหนึ่งนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงอย่างอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงนะเมื่อวานยังดีๆวันนี้ก็ฝนตกนะเบลเดี๋ยวตอนกลางคืนก็หนาวอีกใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวเราก็เปลี่ยนแปลงนะจากเป็นเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่อ่ากลายเป็นคนมีอายุหลังนั้นเราก็จะกลายเป็นคนสูงอายุอ่าในสุดเราก็ต้องตายไปนี่แหละคือความไม่เที่ยงสิ่งเราเนี่ยเราเห็นไหมนะจิตใจเราก็ไม่เที่ยงนะนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยิน้ายทั้งวันนะเดี๋ยวก็ปรุงก็แต่งนะไหลไปในความคิดนะคิดถึงบ้านโอ้พรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วนะดีใจนะเห็นความดีใจไหม าการปฏรบัติธรรมน่าเบื่อรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเครียดนะเราเห็นไหมนะปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลดีดีใจเราเห็นไหมไปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ดีเราไม่ชอบใจเห็นไหมอาหารอร่อยเออดีใจเห็นไหมอาหารไม่อร่อยไม่ชอบใจเห็นไหมนะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญต่างๆเห็นไหมนี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราเห็นเขาไหม นี่แหละคือความไม่เที่ยงนี่คือความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราไปปฏิธรรมจนเราสามารถสังเกตจิตใจได้เราจะเห็นว่าจริ ง, รงๆแล้วมันทุกข์ทั้งวันนะมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยแล้วความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทุกข์เรากเราเห็นไหมบางทีแค่จิตกระดิกนิดเดียวมันคือความทุกข์แล้วเราเห็นไหมนะตรงนี้นะเพราะมันไม่เที่ยงตลอดเวลาเนอะมันบังคับมัญชาเขาไม่ได้เลยอใช่ไหมเพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานั่นเองนะ ถ้ามันเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เราบังคับเขาได้เออเป็นไปตามที่เราต้องการนะกทุกๆอย่างอเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็บังคับเขาได้เอออย่าเจ็บอย่าป่วยเลยนะอ่าหรือเราอยากจะสวยเราก็บังคับได้เออตอนนี้เราสวยนะต้องความสวยต้องอยู่กับเราตลอดสลอดการก็อยู่ไม่ได้นะผมที่เราหงอกไปแล้วเราบังคับเอออย่างอกได้ไหมไม่ได้นะตาฟางบังคับไม่ฟางก็ไม่ได้หูตึงก็บังคับไม่ได้ ผิวผิวนังหย่อนก็บังคับไม่ได้นะเนี่ยมันบังคับไม่ได้เลยนะเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเราจะบังคับให้วก็หยุดคิดสักห้านาทีได้ไหมก็ไม่ได้นะให้หยุดคิดแค่ห้านาทีก็ยังไม่ได้เลยให้เขาไปบัติามว่าวันนี้นะต้องมีสติทั้งวันอบังคับไม่ได้นะยิ่งบังคับเขาเขายิ่งไม่สงบนะเขายิ่งไม่มีสติเราเห็นเพราะเวลาบังคับเขาไม่ได้เลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้ตัวไม่ใช่ตนนะเราจรึงบังคับเขาไม่ได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จริงๆแล้วกลับมาให้เห็นความจริงในพระไตรลักษณ์มากกว่านะ <c oughs> กลับมาเห็นความจริงอ <c oughs> ว่าเออร่างกายจิตใจนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราบังคับเข้าไม่ได้นี่แหละกลับมาเห็นความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วนะที่เราสมมติตอนเช้านั่นแหละสัพเพสังขาราัญจา สัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานตา <c oughs> ก็คือขันหานี้แหละมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตานะกลับมาเห็นความจริงที่พระเจ้าได้ตัดบอกไว้แล้วนะว่าเออสิ่งเหล่าเนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนของเรานะถ้ากลับมาเห็นความจริงแล้วเราจะเข้าใจศาสนาธรรมคือความจริงนี้เพราะว่าสัาธรรมคือความจริงหรือพระไตรลักษณ์นี้เป็นของที่อยู่ในโลกเรามานานแล้ว <c oughs> เป็นสิ่งที่ว่าเขาอยู่ประจําโลกเราอ่าประจําสังขารเราตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีผู้ใดมาชี้ให้เราเห็นนะเพราะนั้นเมื่อมีความทุกข์มีความไม่เที่ยงเราก็ไปโทษอย่างอื่นอไปโทษเออคนนั้นเขาไม่เม่ตามเวลาอ่ามันเจ็บมันป่วยมันอากาศไม่ดีจึงไม่สบายนะอันนี้เราไปโทษอย่างอื่นแต่เราไม่กลับมาเห็นพระไตรลักษณ์นะแต่พระเจ้าได้ทรงชี้เอาไว้นะอ่าชี้ไว้เลยเดี๋ยวเย็นนี่จะพาสวด อนัตตารักณสูตรนะ่าพระเจ้าได้ทรงชี้ไว้เลยในะอนัตตารักณสูตรนี่แหละว่าทุกอย่างในโลกนี้นะตัวตนของเราเนี่ยเป็นหลักมีแต่ความไม่เที่ยงอเป็นทุกเป็นนัตตาทั้งหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้กลับมาชี้ตรงนี้แล้วเพื่ออะไรเพื่อให้เราคลายความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนของเรานี้เท่านั้นเองนะที่เราเป็นทุกเนี่ยเพราะว่าเราไปยึดติดว่าอ่าขันห้าหรือร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเรา เมื่อเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วนะอ่าความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันจึงทําให้เราเนี่ยเป็นอุปทานอุปทานในการที่เราไปยึดเออนี่เป็นของเรานะนี่ร่างกายจิตใจเป็นของเราเพราะฉนั้นเมื่อมีใครทําให้เราโกรธเราก็จะว่าเออเขาทําให้เราโกรธนะใครมารักเราเราก็ว่าเขารักเราอ่าเราปฏิบัติธรรมดีก็ว่าเราเก่งเราวิเศษนะอ่าหรืออ่ใครจะมากระทบเราก็ไม่ได้ ตัวตนเราบางทีเราเจ็บป่วยนิดหน่อยเราก็ทนไม่ไหวนะอ่าบางทีเราอ่าผมผมงอกก็ทนไม่ไหวมีตีนกายขึ้นก็ทนไม่ไหวแล้วนมีสิวขึ้นก็ทนไม่ไหวหิวก็ทนไม่ไหวต้องไปหาอาหารดีๆมาบํารุงมันนี่มันก็คือความที่เราไปยึดมั่นถือมันในตัวตนมันมากนั่นเองนะมันก็มีแต่ความทุกข์จากอุบัทานที่ไปยึดเขานั่นแหละเมื่อความยึดเช่นนี้แล้วเนี่ยว่ากายและใจเปของเราเพราะนั้นน่ะ ถ้าหากว่าเราตายใน น, นั้นที่เรายังยึดเช่นนี้อยู่เขาเรียกเป็นอุปทานอุบทานก็จะนําให้เกิดภพเกิดชาติต่อไปนะเป็นความแก่ชรามรณะต่อไปนะมันก็ที่ในปฏิจจสมบัติก็บอกอาไวนะ้นะนามันจะมีายาวเหยียดเลยนะเอาสั้นๆตัดตรงนี้นิดนึงว่าอาผัสสะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาผัสสะคือการกระทบอายุรนะนะก็คือมีอา จ, จินาทั้งหกเนี่ยเกิดผัสสะตารูปหูจมูกลิ้นกายใจกระทบ ก็เก so ิดเวทนาก็ค <eterm oon> ือความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยๆเวทนาก็เกิดตัณหาคือความพยานอยากความติดใจความอยากได้ในตรงนั้นตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานคือความยึดความติดในตรงนั้นอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโศกปุริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาติตามายาอเยฺห์ ก็คืออุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบเกิดชาติต่อไปนะเกิดพบเกิดชาติในใจเราเนี่ยแหละแต่ถ้าขนขณะตายเราก็ยังไปยึดมั่นว่าตรงนี้เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็กลายเป็นพบเป็นชาติไปเกิดใหม่เอาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรใน ม, มที่ส้นสุดเพราะการที่เรากลับมาเห็นปัตยรักในความที่ว่ามันไม่ตัวไม่ตนนี่แหละมันจึงเป็นการตัดอุปทานที่จะเกิดในใจของเราต่อไปนะละการยึดมั่นว่ากายและใจของเรา นะตรงนี้มันจะได้ตัดพบตัดชาติจริงๆนะเพราะฉะนั้นความเป็นพระรหันก็คือท่านสามารถที่จะละอ่าอุปทานในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยได้แล้วในความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยได้แล้วอย่างเด็ดขาดนะเป็นการละในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ว่ามันไม่ตัวไม่ตนนะพรา ะ, ะน้ําเมืองเราแยกมาแล้วเออคนที่เข้ามารักเราสามีที่เข้ามารักเราเขารักตรงไหนของเรารักที่รูปหรือรักที่เวทนาหรือ ทีร่รักที่สัญญาหรือลักที่สังขารหรือหรักที่วิญญาณของเรามันแยกมันเลี้ยงเราเห็นไหมเขาเขารักตรงไหนของเราล่ะใช่หไหมมันหาไม่เจอเลยนะ่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขารักที่ไหนของเราหรือคนเขามาเกลียดเราเขาเกลียดที่ไหนของเราเกลียดที่รูปหรือเกลียดที่เวทนาหรือเกลียดที่สัญญาหรือเกลียดที่สังขารหรือเกลียดที่วิญญาณหรือมันแยกมามันไม่เห็นมีตัวตนเราอยู่ตรงไหนเลยนะ เนี่ยมันต้องวางให้ได้จริงๆนะเพราะวางแล้วมันจะได้ละจาัด ก, การยึดมั่นถือมั่นาในกายและใจนี้ได้จริงๆนะแล้วหลังนั้นแล้วพภพช่ายมันก็นหมดไปน้อยลงไปนะแต่การที่เราอาละความยึดในกายเนี่ยมันมันง่ายกว่าแต่การที่เราจะไปยึดจิตว่าไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่ยากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเห็นมนบ่อยๆเห็นเขาทํางานเองนะจิตนี้เขาทํางานเองนะอม บางทีเขาคิดเขาก็คิดเขาเองนัเราก็ไม่อยากเขาคิดแต่เขาคิดตัวเองนี่เราเห็นไหมว่าจิตเขาทํางานเอง <c oughs> นะหรือแม้แต่โกรธเขาก็โกรธเองนะไม่ใช่เราโกรธหรอกนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าความโกรธไม่ดีความโกรธนาทุกมาให้ความโกรธเป็นสิ่งที่นําให้เรามีแต่ความเดือดร้อนใจเรารู้ว่าความโกรธ ไ, ไม่ดีแต่พอถึงเวลามันก็โกรธตามเหตุตามปัจจัยใครมาด่าเราเราก็โกรธ อันนี้แสดง ว, ว่าจิตใจเขาโกรธเขาเองนะแต่เราไปยึดเองว่าว่าเราโกรธแต่เราเห็นไหมว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจนะัยความรักความชังต่างๆก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เข้เขามาแล้วก็ไปทุกๆอย่างเข้ามาแล้วก็ไปนะถ้าหากว่าความคิดเป็นของเราเขาก็ลังอยู่กับเรานานๆหรืออยู่ตลอดกาลนะหรืออารมณ์ต่างๆความรักความชังความพอใจไม่พอใจถ้าเขาเป็นของเรา เขาก็ลังอยู่กับเราตลอดการอยู่แดงพาวอนเลยแต่ในสุดเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานนะอันนี้จึงแสดงว่าจริงๆแล้วเขามาตามเหตุแล้วก็ก็ไปตามปัจจัยนะมันมาตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ของเรานะเมื่อมีเหตุเขาก็มาเมื่อหมดเหตุเขาก็ไปเท่านั้นเองแต่เราก็ไปยึดว่าเออไอสิ่งเรานี้เป็นของเรานะอความรักเป็นของเราความพอใจเป็นของเราความคิดเป็นของเราความโกรธเป็นของเรานี่แหละเราไป เข้าใจผิดเองนะเพราะในเมื่อจิตไม่ใช่ของเราแล้วอย่างที่ว่านะก็คืออะขันหานี้มันไม่ของเราก็คือกายและใจไม่ของเราแล้วในเมื่อจิตไม่ของเราแล้วสิ่งที่เกิดจากจิตเช่นความคิดหรืออารมณ์ต่างๆก็จึงไม่ใช่ของเราด้วยนะตรงนี้เราเห็นไหมนะเอว่าเราว่ามันไม่ของเรานะถ้าเราเข้าใจมันไม่ของเราแล้วมันจะไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราเข้าใจเป็นของเรามันก็จะอยู่กับเรานานนะมันอยู่เรานานมากเลย เนี่ยตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องกลับมาเห็นนะว่ามันไม่ยังเราจริงๆนะถ้าเรามันไม่มันไม่ยังเราจริงๆมันก็จะวางได้เร็วแต่ถ้าทุกอย่างเป็นของเราแล้วมันจะไม่วางมันจะยึดจะติดนะเราจะไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆนะเมื่อเป็นของเราแล้วเราจะไปให้ค่ากับเขาะแต่ถ้ามันไม่ยังเราแล้วเราจะไม่ให้ค่าเราจะกลายเป็นรู้เฉยๆนะอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกรู้ซื่อๆรู้เฉยๆก็คือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีอารมอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยๆว่าเขามาแล้วก็ไป มาลราไปมันไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยมันก็จะวางได้รวนเร็วขึ้นนะจริ ง, รงๆมันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่ตนแล้วนะมันคือการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่ว่าเพื่อเราจะไปได้อะไรหรือเห็นอะไรจริงๆหรอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนต่างหากน ะ, <S <S นะเราไม่ได้ปฏบัติเพื่อการละตัวตนแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมันไม่เชิงเราตั้งแต่ตนแล้ว มันะก็คือมันไม่ไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งต่นแล้วเราจึงไม่ต้องไปละอะไรมันเพียงแต่เป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในการที่เราไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเราเท่านั้นเองนะเพราะฉนั้นเราถ อ, ถอดถอนในตรงนี้ได้อันนี้เขาเรียกว่าเราถอดถอนอ่สาส ก, กายอิฐิฐิก็คือความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของเราได้เนี่ยอันนี้คือต้นทางของภริยาเจ้าเลยนะอ่าพอหลังนั้นการเดินเราก็จะง่ายขึ้นแค่เราถอดถอนความเข้าใจผิดในตรงนี้ นะสังโยชน์ต่างๆที่จะทํเราเป็นพระริยเจ้าก็ยังง่ายก็จะ เ, เป็นไปนตามลําดับอย่างง่ายไดนะ้แต่ถ้าในชีวิตนี้เรายังถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนไม่ได้นะสังโยชน์อื่นๆตัวอื่นเราก็ถอดถอนไม่ได้เช่นกันเพราะไม่มีตัวตนอยู่ก็ต้องมีสิ่งต่างๆตามมาเยอะแยะแต่ถ้าเราถอดถอนตรงนี้ได้แล้วสิ่งต่างๆก็จะพลอยหมดไปด้วยพลอยน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะ นี่แหละก็จริงว่าเออเรากลับมาเข้าใจออในความเป็นตัวตนเนี่ยว่ามันไม่ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแล้วนะถ้าเราเข้าใจเช่นนี้นะอะ่ความทุกข์ในใจเราก็จะลดน้อยลงนะลดน้อยลงไปทันทีมันจะลดทั่วลงไปทันทีเลยน ะ, ะความทุกข์ในใจเราเนี่ยเพราะความยึดมั่นเราจะลดน้อยลงความทุกข์ก็จะน้อยไปด้วยอเราอ่าเรายึดมั่นตรงไหนอเราผูกพันกับใครเราไปให้ค่าใคร นั่นแหละจะนำความทุกข์มาให้เราเราไปรักใครคนนั้นจะนำความทุกข์มาให้เราเราไปเกลียดใครคนนั้นจะนำความทุกข์มาให้เราเราไปโกรธใครคนนั้นจะนำความทุกข์มาให้เราแต่ถ้าเราไม่รักใครแล้วไม่เกลียดใครแล้วไม่โกรธใครแล้วนั่นแหละความทุกข์เราจะน้อยลงฉันใดก็ฉันนั้นนะตัวตนนี่แหละที่เรายึดมั่นก็จะนำความทุกข์มาให้เราแต่เราไม่ยึดเ้าเขาก็จะไม่นำความทุกข์มาให้เรานะเพราะนั้นในชาตินี้ความทุกข์เราจะลดน้อยลง และก็เป็นการทําให้ชาติหน้าเราเนี่ยพบชาติเราจะสั้นลงนะถ้าเราละได้อย่างเด็ดขาดนี่ก็คือชาติตุดท้ายเราแล้วนะอ่ามันจะจบพบจบชาติในตรงนี้นะอ่านะจึงว่าตรงเนี้ยก็คือนาทีทองในสังสารวัตรอ่านะซึ่งเราได้สัมผัสแล้วนะแต่เราจะนํานาทีทองนี้มาเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราต่อไปไหมนะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาตรมีคุณพระตรัยเมน้อมนะําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความที่สุดแห่งทุกได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทิน